ในประศูนที่ชื่อว่าอปันกะสูคือถ้ามีคนใดคนหนึ่งก็พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันกับเรื่องแรกนั้นขึ้นมาเอาจะเราเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แสดงว่าก็ปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งเอาแสดงว่าอันหนึ่งต้องถูกอันหนึ่งต้องผิด ไม่อันใดอันหนึ่งก็ต้องผิดแน่นอนแต่วิธีการพิจนารณายอย่างไรไตรตรองใคร้ครวนถึงเหตุผลอย่างไรอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการที่จะไม่มีทางผิดในประสูนย์นี้ทุกฝังเวลาเราฟังนั้นเราฟังเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างตระกะความคิดที่พระพุทธเจ้าปิดท้ายในแต่ละคู่ ที่เป็นกู้ตรงข้ามกันไล่มาตั้งแต่เรื่องทิฏฐิความเห็นที่ว่ามีกับไม่มีทิฏฐิความเห็นที่ว่าผลมันจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นทั้งหมดสี่ลักษณะที่เมื่อเราฟังแล้วเราคิดไกรโกรนตามนั้นจะสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องยังไงก็ไม่มีทางผิดรับประกันได้ตันวา กอเชิรัฟังพระสูตรว่าด้วยการปฏิบัติที่ไม่ผิดอภัพนกะสูตรอัพนกะสุตตะมัจจิมานิกายเล่มที่ส3าข้อที่92มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริปปนีแควนโกศล พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านปรามของชาวโกศลชื่อสาลาปรามและขรบบรบดีชาวบ้านสาลาได้สดับข่าวว่าทั้งผู้เจริญเท่าหไาหายได้ยินว่าพระสมณะโคโดมเป็นสากยบุตรเสด็จออกบวชจากสากยตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้งโกศล พร้อมกับปิกสูงหมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านปรามชื่อสาลาโดยลําดับก็ท่านพระกดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามเขอชอไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรสรูด้วยตนเองโดยชอบเปียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสติฝึกผู้ที่คุณฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคโปร่งทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกปรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาลและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามใน่ามกลางและมีความงดงามในที่สุดทรงประกาศพระธรรมจารย์พร้อมทั้งอัตตะและพระเยนชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบด้วนการได้พบพระอรันตังหลายเช่นนี้ เป็นความดีอย่างแท้จริงกระนั้นพรามและกระปดีชาวบ้านศาลาจึงได้เข้าไปเฝ้าปราผู้มีประปากถึงที่ประทับบางพวกตว่าอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทุนสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร บางผู้ประนมมือไปทางที่ปราู้มีพระภาคประทับแล้วนั่งณที่สมควรบางผู้ประกาศชื่อและโคดในสำนักของปราู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางผู้ก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรตอนอาปัญญากะ ร, รมปราู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับพระรามและพระบดีชาวบ้านศาลา ผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าพรามและกระับดีทั้งหลายศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้ศรัทธาที่มีเหตุผลมีอยู่หรือพรามและกระับดีล่นั้นจึงกราบดูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายชอบใจ เป็นเหตุให้ได้ศรัทธาที่มีเหตุผลยังไม่มีเลยพระเจ้าข้าพรามและก็ ร, บระบิดีทั้งหลายก็เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้าศาสดาเป็นที่ชอบใจพึงสมาทานอรัณกะธรรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่เป็นสองแง่สองงามเป็นเอกภาพแล้วปรปุ้ิตามเติดเพราะว่าอปัณกะธรรม ที่ท่านทั้งหลายสมท า, านให้บริบูรณ์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกลเพื่อความสุขแก่ท่านทัน้งหลายตลอดกาลนานก่อปัณณกะธรรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนั้นเป็นอย่างไรตอนนัตติกะทิฏฐิกับอัตติกะทิฏฐิคือมีสมณปรหมพวกหนึ่งมีวาทาอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบาแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณโอปาติกะคือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นก็ไม่มีสมณพราหมณผู้ประพฤตปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีสมณพราหมีพวกหนึ่งก็มีวาคะเป็นค่าศึกโดยตรงต่อสมณพราหม์พวกแรกนั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าการที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผล ผลวิบา ก, กรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีคุณโอปาติการสัตมีอยู่สมณรพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญายิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามก็มีอยู่ในโลกพรามและกติบดีทั้งหลาย ท่านทั้ลายเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะที่ขัดแย้งกันโดยตรงมีใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าตอนโทษแห่งการปฏิบัติปิดปราหม์และข้าพติทั้งหลายก็บรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสองจุลบุกนั้นสมณพราหมณ์พวกที่มีวาทะอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลสมณพราหมณ์ที่ประพฤติ ช, ชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกสมณพราหมณ์นี้นั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจะเว้นกุศลแรรม3สามประการนี้ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต และจะสมาทานอากุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่กายัตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อเน้นประเหตุไรพระสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความตำแซมความเศร้าหมองแห่งอากุศลธรรมไม่เห็นอนิสงในเนคัมมะ อันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วในกุศลสุทั้งหลายอนหนึ่งโลกนามีแต่เขากลับเห็นว่าโลกนาไม่มีความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฐิโลกนามีแต่เขาดําริว่าโลกหน้าไม่มีความดําริของเขานั้นก็เป็นมิจฉาสังกปะก็โลกหน้ามี แต่เขากล่าวว่าโลกหน้าไม่มีวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิฉาวาจาโลกหนามีเขากล่าวว่าโลกหน้าไม่มีผู้นี้ย่อมทำตนเป็น่าศึกต่อพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกหน้าก็เมื่อโลกหนามีเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มี การที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงและเขายัางจะยกตนกลมผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในยานีเริ่มต้นเขาก่อนละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลปรามิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย บาปอคุศสและทมเป็นเอเนกนี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาความเป็นฆาสึกกับประเรียกการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พรามและเกรดีทั้งหลายในลัที่ของสมณพรามเหล่านั้น วินยูชนย่อมเห็นประจัก์ดังนี้ว่าถ้าโลกหน้าไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคนนี้หลังจากตายแล้วจะทำตนให้มีสวัสดีได้ถ้าโลกหน้ามีจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิานบาละนรกก็ถ้าโลกหน้าไม่มีจริง คำสอนของสมณพราหมณ์เหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษคนนี้ก็ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลผู้ทุศีนเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นนัติกะวาทะก็จะโลกหน้ามีจริงบุรุษบุคคลนี้ก็จะได้รับโทษทั้งสองคือหนึ่งในปัจจุบัน ถูกวินยูชนตีเตียนได้และสองหลังจากตายไปแล้วก็จะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและโนโรกอย่างนี้ก็ปัญญกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ไม่ดีแพร่ดิ่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้ตอนคุณแห่งการปฏิบัติ j o พรามและก็ธรรมดีทั้งหลายก็บรรดาสมารพราหมสองจนพวกนั้นสมารพราหมณ์พวกที่มีวาตาทิฏฐิอย่างนี้วา่าทานที่ให้ละมีผลเป็นตนสมารพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทาให้แช้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แช้งมีอยู่ในโลกสมารพราม์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจะเว้น กุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่กายสุจจริตวจีสุจจริตมโนสุจจริตและจะสมาทานกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นพระเหตุไรเพราะสมรารเหล่านั้นเห็นโทษความต่ำสาม ความเศร้อมองแห่ง อ, อกุศลธรรมเห็นอ น, นิสงส์ไหนเนคขมะอันเป็นฝากฝ่ายแห่งความป่องแปวในกุศลธรรมทั้ลายอหนึ่ ง, ลนนงโลกหน้ามีเขาเห็นว่าโลกหน้ามีความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิโลกหน้ามีจริงเขาดําริว่าโลกหน้ามีจริงความดํารินั้นของเขา จึงเป็นสัมมาสังกปะโลกนามีเขากล่าวว่าโลกนามีจริงวาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาโลกนามีจริงเขากล่าวว่าโลกนามีจริงผู้นี้ชื่อว่าไม่ทำตนเป็นฆาศึกกับพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกนาโลกนามีจริง เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าโลกหน้ามีจริงการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงและเขายอมไม่ยกตนกลมผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนั้นโดยในยา น, นี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้ตูศีลแล้วตั้งตนเป็นคนมีศีลดีงาม ปราะสมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือสมาทิฏฐิสม า, ส, มาสังกปะสมาวาจาความไม่เป็นข้าสึกกับปรริยะการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้กรามและกระดับดีทั้งหลาย ในลทัทธิของสมรภรามเหล่านั้นวิญญาชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าโลกหน้ามีเหมือนเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงคำของสมรภรามเหล่านี้จะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้น บ, บุคคล น, นี้ย่อมได้รับคําสรรเสริญจากวิญยูชนในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลผู้มีศีลเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอัติกะรวาทะก็แต่ว่าถ้าโลกหน้ามีจริงบุคคล น, นี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือหนึ่งในปัจจุบันวิญยูชนย่อมสรรเสริญและ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติ โลกสวัรอย่างนี้ัำปัจนากาธรรมคือธรรมที่ไม่เสื่อมที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบุรณแล้วแปรดิ่งไปทั้งสองฝ่ายย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้ตอนอกิริยะทิฏฐิกับกิริยะทิฏฐิปรามและิรรมดทั้งหลายก็มีสมณะ พวกหนึ่งมีวา่าท่ามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบรรทัมเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทําให้เศร้ออาโศกเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทําให้เศร้าโศกทําให้ลําบากเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทําให้ลําบาก ดิ้นรนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์หรือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาต้นเรือนหลังเดียวดักที่ทำร้ายในทางเปลี่ยวเป็นชู้ผู้เท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นบาปถึงแม้หากบุคคลจะใช้จักมีคมดุจมีโกน สังหารเหล่าสัตว์ในปัตปีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาก็ย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาก็แม้หากว่าบุคคลไปฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน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 การพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาหรือสมณพราหมีพวกหนึ่งก็มีวาจาขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหม์พวกแรกนั้นเขากล่าวอย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดินรนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนขาาสัตวย์หรือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาต้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปรียวเป็นชูพูดเทจผู้ทำเช่นนั้นจัดว่าทำบาป แม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมมีบาปที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นมีบามาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝังกว่าแห่งแม่น้ำคงคาข่าเองจะให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเองช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมมีบาปที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝังซ้ายของแม่น้ำคงคาใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาแม้เขาย่อมมีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นมีบุญมาถึงเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากการให้ทาน จากการฝึกยินเียจากการสมรวมจากการพูดคำสัตย์ก็มีบุญมาถึงเขาพรามและเครบริษดททั้งหลายท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสำหรับพรามเหล่านี้มีว่าจะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือค่าตอนโทษของการบริบัตรปิด พระผูมีพระพาค์เจ้าจึงได้ตรัสว่าพรามและกระบดีทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสองจุดโกนั้นพวกที่มีวาจาอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นตัดดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชูพูดเท็จเช่นนั้นไม่จัดว่าเป็นบาปแม้หากบุคคลใช้จากมีคมสังหารเหล่าสัตว ในโลกนี้ไม่จัดว่าเป็นบาปมาถึงเขาแม้ไปฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาข้าเองแม้ไปฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานก็สมณรพราหม์พวกที่มีความเป็นอย่างนี้พึงหวังข้อนี้ได้คือจะเว้นกุศลกรรมสามประการนี้ได้แก่กายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตจะสมาทานอากุศลธรรมอีกสามประการนี้ได้ แ, แก่กายาทจุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตร่างประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณบ ร, รมเหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ำซ้ำความเศราหมองแห่งอากุศลธรรมไม่เห็นอนิสงส์ไหนเนคัมะ อันเป็นฝ่ายพ่องแพล่แห่งกุศลธรรมทั้งหลายอห น, นึง่งการกระทำที่มีผลแต่เขากลับเห็นว่าการกระทำไม่มีผลความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิการกระทำมีผลแต่เขานำรีว่าการกระทำไม่มีผลความนำรีนั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกปะ ก่อนการกระทำมีผลแต่เขากล่าวว่าการกระทำไม่มีผลวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาการกระทำมีผลแต่เขากล่าวว่าการกระทำไม่มีผลผู้นีย่อมทำตนให้เป็นก้าสึกกับพระหรนันผู้เป็นกิริยวาทะการกระทำมีผลแต่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า การกระทำไม่มีผลการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงและเขาอย่างยกตนขลมผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในยะนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีล มิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย บ, บาปอคุโลธรรมเป็นนิยมเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจาความเป็นค่าศึกับประเรียะการทำให้ผู้อื่นเข้าใจปิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อืน่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการชนีราปและข้อบกพร่องหลย ในลัที่ของสมรภารเหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประสาทชัดดังนี้ว่าถ้าการกระทำไม่มีผลเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะทําตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าการกระทำมีผลจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกปติวินิบาตเลน่นรก ถ้าการกระทำไม่มีผลจริงคำสอนของสมรภา ร, รผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดบุรุษบุคคลนั้นย่อมถูกติเตียนในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิจฉาทิฐิเป็นอคติยามาทัศก็ถ้าหากการกระทำมีผลจริงบุรุษบุคคลผู้เจริญนี้ ก็จะได้รับโทษในโลกทั้งสองคือหนึ่งในปัจจุบันถูกวินยูชนตีเตียนได้และสองหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกอย่างนี้ก็ปัาก伽ธรรมนี้ที่บุคคลสมาทารให้บรบูรณ์ไม่ดีแปรดิ่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศล ด้วยประการชนีตอนคุณแห่งการปฏิบัติจอบพรามและก็เระ่องที่งหลายก็ในละิีกลอสมสำรับพรามพวกที่มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลดำเองใช้ให้ผู้อื่นาำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดปลนเรือนหลังเดียวดักจี้ในที่เปลี่ยวผู้นี้ชื่อว่าทำบาป บุคคลใจจักมีคมดุดมิกรนสังหารเรล่าสัตว์ในปตัตตบีนี้มีบาปมาถึงเก่าหากบุคคลไปฝั่งขวาของแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าบาบย่อมมีมาถึงเก่าหากบุคคลไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้เขาย่อมมีบุญที่กิจกรรมนั้น มีบุญมาถึงเขามีบุญที่เกิดจากการให้ทานการฝึกอินทรีย์การสำรวมการพูดคำสัตย์มีบุญมาถึงเขาก็สมหรับพรามเหล่านี้พึงหวังข้อนี้ได้คือจะเว้นอากุศลธรรม3าประการนี้ได้แก่กายจุจิตวจิจุจิตและมโนจุจิต จะสมทาน ก, ากุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่กายสุจริตวาจีสุจริตและมโนสุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นประเหตุไรพระสมณพรารามเหล่านั้นเห็นโทษความต่ำแซมความเศอ้มองแห่งอกกุศลธรรมเห็นอนิสงส์ในเนกรรมอันเป็นฝ่ายป่องแพ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย อันหการกระทำมีผลเขาก็เห็นว่าการกระทำมีผลความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิการกระทำมีผลจริงเขาดําริว่าการกระทำมีผลจริงความดําริของเขานั้นจึงเป็นสัมมาสังกัปปะการกระทำมีผลจริงเขากล่าวว่าการกระทำมีผลจริง วาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาการกระทามีผลจริงเขากล่าวว่าการกระทามีผลจริงผู้นี้ชื่อว่าไม่ทำตนให้เป็นฆ่าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นกิริยาวาทะการกระทามีผลจริงเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทามีผลจริงการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้น เป็นการทำให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงและเขาย่อมไม่ยกตนคุมผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนั้นโดยในายานี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้ทุศีลแล้วตั้งตนเป็นคนมีศีลดีงามประสมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นเอเนกเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นข้าศึกกับปราริยะการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พรามและกระเรปีั้งหลายในลัตทิ่ของสมณพรามเหล่านั้นวิญยูชนย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่า ถ้ า, าการกระทำ ม, มีผลจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้ า, าการกระทำไม่มีผลจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคล น, นั้นย่อมได้รับคำสรรเสริญจากวินยูชนในปัจจุบันว่า เป็นบุคคลผู้มีศีลเป็นสัมมาทิทฐิเป็นกิริยาวาฏทะก็ถ้าการกระทำมีผลจริงบุคคลนี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือหนึ่งในปัจจุบันวิญญูชนย่มสรรเสริญและสองหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้ก็อัปปนกาธรรมที่บุคคลสมาธานให้บรุบุรดีแล้ว แปรดิงไปทั้งสองฝ่ายย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้ตอนเหตุุกข์ทิฏฐิกับอเหตุตุกข์ทิฏฐิปรามและพระธรรมดีทั้งหลายมีสมณพรมพวกหนึ่งมีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างมีว่าความเศ้ามองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุ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 ไม่มีกําลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอาภิชาติทั้งหกพรามและกระดับเดทั้งหลายก็มีสมณพราหมอีกพวกหนึ่งมีวาทาขัดแย้งโดยตรงกับเสมณพรามผว้แรกนั้น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 ชีวะทั้งปวงไม่ใช่ไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภ า, ภาพตางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนสวยสุขและทุกข์ในอภิชาตทั้งหกพรามและก็เดรปิธิทั้งหลายท่านทั้งหายจะเข้าใจความข้อนี้ว่ายอย่างไรสรรพนามพรามทั้งสองจพวกนั้น มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อ น, นั้นเป็นอย่าง น, นระนไหมชกา้าตอนโทษแห่งกันปฏิบัติผิดพรามและขบถดีทั้งหลายในลัทธิของสมณบามเหล่านั้นผู้ที่มีวาทาอย่างนี้ว่าความสร้างมองของสัตว์ทั้งหลายและความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยดังนี้นั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจะเว้นกุศลธรรมสามประการเหล่านี้ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะสมาทานอากุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ ข้อนั้นประเหตุไรพระสมณพราธรรมเหล่านั้นไม่เห็นโทษความตำแามความเศร้ามองแห่งอกุศลธรรมไม่เห็นอนิสงในเนคัมะอันเป็นฝ่ายฟ่องแพ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งเหตุมีอยู่แต่เขากลับเห็นว่าเหตุไม่มี ความเห็นของเขานั้นเป็นมิจฉาทิฐิเหตุมีอยู่แต่เขาดําริว่าเหตุไม่มีความดํารติของเขานั้นเป็นมิจฉาสังกปะเหตุมีอยู่แต่เขากล่าวว่าเหตุไม่มีวาจาหนันของเขาเป็นมิจฉาบาจาเหตุมีอยู่ เขากล่าวว่าเหตุไม่มีผู้นี้ย่อมทำตนให้เป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เป็นเหตุตุกาวาทะเหตุมีอยู่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเหตุไม่มีการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงและเขายัง ตนค่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในยา น, นี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยบาปอากุศลธรรมเป็นนิยมเหล่านี้คือมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกาปะ มิจฉาวาจาความเป็นค่าศึกกับปราเรียการทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พรามและคดีดีทั้งหลายในลัติกรณ์สมรภ์รามเหล่านั้นวิญญูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าเหตุไม่มี เมื่อเป็นอย่างนี้บุุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะทำตนให้สวัสดีได้ก็ถ้าเหตุมีอยู่จริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตและนรกก็ถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริง คำสอนของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเดือดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคล น, นี้ย่อมถูกบินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิฉายทิฏฐิเป็นอาเหตุตุกขาวาทักก็ถ้าเหตุมีอยู่จริงบุรุษบุคคล น, นี้จะได้รับโทษในโลกทั้งสอง คือหนึ่งในปัจจุบันก็ถูกบินยูชนตีเตียนได้สองหลังจากตายไปแล้วก็จะเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกอย่างนี้ก็อักปรรกากาธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บรบูรณ์ไม่ดีแปรดิ่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้ ตอนคุณแห่งการปฏิบัติจองปรามและกระเบื้องทั้งหลายก็ในทติของสมรภรัรมเหล่าใดที่มีวาทะมีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าความช่อหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่ได ผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพต่างสังคมหรือสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกสมรพรมเหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตและมโมทุจริตจะสมาทานกุศลธรรมสามประการนี้ ได้แก่กายสุจริตวาจิสุจริตและมโนสุจริตแล้วประพฤติอยู่อห น, นึง่งเหตุมีอยู่เขาเห็นว่าเหตุมีอยู่จริงความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเหตุมีอยู่จริงเขาโน้มเรีว่าเหตุมีอยู่จริงความโน้มเรียนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาสังกัปปะ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 แล้วตั้งตนเป็นคนมีศีลดีงามพระสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นอนเนกเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นฆาสึกกับประอริยะการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้น ด้วยประการชนีพรามและกระเบ้ดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพรามเหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าเหตุมีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้บุุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริง คำของสำรบรามเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษบุคคล น, นี้ <be it. S 2> ก็ย่อมได้รับการสรรเสริญจากวิญญาชนในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้มีศีลมีสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุขาาุคตว่าถ้าก็ถ้าเหตุมีอยู่จริงบุรุษบุคคล น, นี้จะได้รับคุณในโลกทั้งสอง คือหนึ่งในปัจจุบันบินยูชนย่อมสรรเสริญและสองหลังจากตายแล้วจะไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้ก็อักบันาลกรทรนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้แปรดิ่งไปทั้งสองฝ่ายย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้ ตอความขัดแย้งกันเรื่องอรูปประพรมพรามและเกรดีทั้งหลายมีสมณรพราหม์พวกหนึ่งมีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอารูปประพรมไม่มีโดยประการทั้งปวงส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทาขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหม์พวกแรกนั้น เขากล่าวอย่างนี้ว่ารูปประพรมมีอยู่โดยประการทั้งปวงปราหมและกระดา บ, บรีทั้งหลายท่านจะเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรก็ศมรปรามเหล่านั้นมีวาทะขัดแยง้งกันโดยตรงมิเช่หรือข้อ น, นั้นเป็นอย่างนั้นรประเจ้าคะปราหม์และกระดาบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณปรามพวกนั้น วินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าการที่สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าอารูปประปร ม, มไม่มีโดยประการทั้งปวงเราไม่เห็นด้วยแม้การที่สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าอารูปประปรม ม, มีอยู่โดยประการทั้งปวง เราก็ไม่ได้รับรู้ด้วยตนเองส่วนเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะพึ่งถือเอาฝ่ายเดียวกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยก็ถ้าคมของสมรรมเทั้งหลายผู้มีวาทาทิฏฐิว่ า, ารูปประปร ม, มไม่มีเป็นคำจริงแล้ว เป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้มีรูปสำเร็จด้วยใจซึ่งไม่ถือว่าผิดข่อตากำข อ, คำคองเสมราบรามทั้งหลายผู้ที่มีวาทะทิติว่าอารูปประพรมมีมอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วก็เป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญา ซึ่งไม่ถือว่าผิดนหนึ่งการถือท่อนไม้การถือสาตราการทะเลการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่าเจ้าเจ้าการพูดช่อเสียดและการพูดเท็จซึ่งมีรูปเป็นเหตุย่อมปรากฏแต่ข้อนี้ย่อมไม่มีในอรูปป ร, ปรมโดยประการทุกวง วิอยูชนครั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งรูปอย่างเดียวตอนความขัดแย้งเรื่องพบพรามและกระดับดีทั้งหลายก็มีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาชะมีความเห็นอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งพบ ไม่มีโดยประการต้งปวงส่วนสมราามณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมราาม์ผู้แรกนั้นเขากล่าวว่าความดับสนิทแห่งพบมีอยู่โดยประการต้งปวงก็ท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสมรภามณ์เหล่านั้นมีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าปรามและกระดับดีทั้งหลายก็ในลัทธิของสมรภามณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดหนึ่งนี้ว่าการที่สมรภามณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะทิฏฐิว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเราก็ไม่ได้เห็นในข้อนั้นด้วยแม้การที่สมรภามณ์ ผู้ที่กล่าวว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเราก็ไม่ได้รับรู้ด้วยส่วนตัวเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะถือเอาฝ่ายเดียวแล้วกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยก็ถ้ากรรมของสมรภารมทั้งหลายผู้มีวาทะทิฐิวา่า ความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วก็เป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งก็ไม่ถือว่าผิดอันหนึ่งถ้าคำของสำรับรามผู้มีวาทะทิฏฐิว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้ว ก็เป็นไปได้ที่เราจะนิพพานในปัจจุบันความเห็นของสมณพรามณ์พูดมีวาทะว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงนี้ใกล้ต่อธรรมะที่ยังมีความกำหนัดใกล้ต่อธรรมะที่ยังมีสังโยชนใกล้ต่อธรรมะที่ยังมีความเพลิดเปลินใกล้ต่อธรรมะที่มีความจดจ่อ ใกล้ต่อธรรมะที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นส่วนความเห็นของสมรภา ร, รมทั้งหลายผู้ที่มีวาจาที่ถีว่าความดับสนิทแห่งพบมีอยู่โดยประการทั้งปวงนี้ใกล้ต่อธรรมะที่ไม่มีความกำหนัดใกล้ต่อธรรมะที่ไม่มีสังโยชดใกล้ต่อธรรมะที่ไม่มีความเพลิดเพลินใกล้ต่อธรรมะ ที่ไม่มีความจดจอ่อใกลต่อธรรมะที่ไม่มีความยึดมั่นวินอยู่ชนนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วยอมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความไกลกำนักเพื่อความดับแห่งพบอย่างเดียวตอนบุคคลสี่ประเภทพรหมและกระดีทั้งหลายบุคคลสี่ประเภท เหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสีประเภทอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้คนที่หนึ่งเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนสองเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน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 เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอาเจนละกะคือประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยเสียแล้วคือการประพฤติทรมานตนเองปรามและกระบดีตั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อน ก็บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำการบูชายันคือฆ่าแพะฆ่าสุ ก, กรเป็นต้นหรือบางพวกทำการทารุณพรามและกระบรีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน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 เราชนผู้เป็นท่าสก็ดีเป็นคนรับใจก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตาหนองหน้าร้องไห้ไปทำงานไปปราบและกระดับดีเท่าไรบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน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 ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันตรัสรูร้ด้วยตนเองโดยชอบแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดกุลบุตร เมื่อได้ฟังทำนั้นแล้วออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวของด้วเรือนรักษาศีลรันละนิวนรณะประการอังเป็นเคเรื่องซ่อมมองใจเป็นคเครื่องตอนกำลังปัญญาแล้วก็วสงัดจากกรามและอกุศลธรรมต้องหลบรรลุ ป, ปตมฌานมีวิตกวิชานมีบีติและสุข อันเกิดจากความมีเวกอยู่ประสงบมิ็ตัวิชารจะได้จึงบรรลุฌานที่สองเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุฌานที่สามและประละสุขและละทุกข์จดได้จึงบรรลุฌานที่สี่อยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ขุดกองไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศชาความเศร้าหมองอ่อนมอแกการใช้งานตั้งมั่นยังไม่หวนไวอย่างนี้ผีสุนั้นก็นำจิตไปเพื่อบุกเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกได้ชาติหนึ่งบางสองชาติบางเป็นต้นเธอระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ขุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินประสจาความเศร้าอหมองอ้อนมองแกการใช้งานตั้งมั่นไม่วันวาอย่างนี้ปิสุนั้นก็น้ำจิตไปเพื่อจุดตูปปาตายานคือเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำลายชั้นสูง งามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดเดือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์กุดพองไม่มีกิเลสเพียงหนังเนินปรารถนาความเศร้าหมองอ้อนม อ, อกแก่การใช้งาน ตังมันไม่หวั่นไหวอย่างนี้พิจูนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคกิจยานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไม่เหลือของทุกนี้คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนี้คืออาสวัคนี้คือเหตุแห่งอาสวั นี่คือความดับไม่เลือแห่งอาสวะและนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือพบและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วถ้อยย่อมรู้ชัดว่า การเกิดสิ้นแล้วปรมาจารย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพรามและก็เด็ดดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน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 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรอย่างนี้แล้วพราามและกระบดีชาวบ้านสาราได้กราบถือเกว่าข้าแต่ท่านพระกคดมพาสิของพระองค์ชัดเจนไปร้อยิ่งนักข้าแต่ท่านพระกคดมพาสีของพระองค์ชัดเจนไปร้อยิิงนักท่านพระกคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง เรือเหมือนบุคคลงงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือจุดปรทิบไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอถึงท่านพระโกดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโกดมจงทรงจำพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนั่งนี้แหละอภันฑกสูตรจบและที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือข้อปฏิบัติที่ไม่มีทางผิดในอภันฑกสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูนร์นำเสนอโดยมูลนิธิ ปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาใบบูญอาพภิปุณโญดานสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประูตรได้ในทุกวันบริหัสตั้งแต่เวลาตีหถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสีงงยงประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดคส